เรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณซุงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อ8ปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่คุณซุงเรียนจบชั้นม .3 คุณพ่อก็ได้ให้คุณซุงเนี่ยไปบวชเป็นสัมมเนนที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ใกล้บ้านคุณซุงก็บวชอยู่ที่นี่ประมาณ5ปีก็เลยได้สึกออกมาช่วงนั้น ที่วัดกำลังเตรียมการจัดงานเทศกาลครั้งใหญ่เลยนะคะคุณสูงก็ได้ไปช่วยสมณเณรรูปอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมงานต่างๆภายในวัดโดยหลวงพ่อก็ให้เอาผ้าสีไปขึงไว้แถวๆเมนเผาศพหลังจากขึงผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาประมาณ5โมงครึ่งก็ได้พากันไปเดินเล่นแถวโกดังเก็บศพ แถวบริเวณโกดังเก็บศพเนี่ยก็จะเป็นที่เล่นประจําของคุณซุงและก็เพื่อนๆสัมมเนนช่วงหลังๆก็มีการปลูกสร้างคอนโดขึ้นที่ข้างๆวัดทางวัดก็เลยทยอยเอาศพออกจากโกดังจนเหลืออยู่แค่ศพเดียวเท่านั้นซึ่งคุณสูงก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่ถูกย้ายออกไปที่อื่นตอนนั้นคุณสุงและสัมมเณรสองรูปก็เลยคิดพี่เรนกันขึ้นค่ะพยายามจะงัดลงออกมาดูเพราะอยากจะรู้นะคะว่าจะมีศพอยู่ข้างในหรือเปล่า ก็เลยได้ไปดึงราวตากผ้าที่หลังกุฏิเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการงัดค่ะพอเปิดประตูช่องเก็บศพคุณซุงก็ใช้ราวตากผ้าที่เป็นท่อนเหล็กงัดลงขึ้นมาดูงัดไปงัดมาฝาลงเกิดแตกจนเปิดอ้าออกก็เปิดขึ้นได้ประมาณแค่คืบเดียวเพราะว่าจะติดเพดานช่องเก็บศพคุณซุงก็มองเข้าไปในลงแต่ก็ไม่พบอะไรเห็นเพียงแค่ความมืดประกอบกับช่วงนั้นพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเต็มทีและ เพื่อนเนนก็เลยยื่นไฟแช็กให้แล้วบอกให้คุณซุงเนี่ยใช้จุดส่องดูคุณซุงก็รับไฟแช็กมาแล้วก็ยื่นมือเข้าไปในโลงศพแล้วก็จุดไฟแช็กภาพที่เห็นเนี่ยเล่นเอาคุณซุงร้องอุทานเลยนะคะพร้อมกับชักมือกลับออกมาทันทีสิ่งที่เห็นคือซากศพแห้งๆที่นอนพนมมืออยู่ในโลงด้วยความตกใจค่ะคุณซุงรีบกลับไปที่ศาลาการประเรียนพร้อมกับเพื่อนเนนอีก2รูปวิ่งตามหลังกันมาติดๆ เวลาย่างเข้าหนึ่งทุ่มคุณสูงก็เดินกลับไปนอนที่บ้านซึ่งวันนั้นคุณพ่อได้ไปช่วยงานที่วัดจนดึกที่บ้านจะเหลือเพียงแค่น้าชายคนเดียวคุณสูงเข้านอนประมาณสี่ทุ่มแต่ก็มารู้สึกตัวตื่นขึ้นกลางดึกแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเวลากี่โมงได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังตุ๊บตุ๊บอยู่แถวปลายเตียงค่ะ คุณสูงก็เลยพยายามจะลืมตาขึ้นมามองแต่ก็ต้องตกใจเพราะว่าลืมตาไม่ได้เหมือนกับว่ามีอะไรหนักๆมากดทับที่เปลือกตาไว้เสียงปริศนาก็เริ่มขยับมาดังอยู่ข้างๆเตียงแล้วล่ะทีนี้จนคุณสูงต้องใช้นิ้วมือนี้แยกเปลือกตาออกดูเพื่อจะดูว่ามันคืออะไรกันแน่ภาพที่คุณสูงเห็นก็คือซากศพแห้งๆค่ะกาลังเดินไปเดินมาอยู่ภายในห้อง ลักษณะพนมมือมัดตาสังโน้มลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยค่อยๆก้าวเดินเหมือนคนที่กำลังอิดโรยคุณซุงตกใจสุดขีดตาเบิกโพลงตัวแข็งทื่อร้องตะโกนลั่นเหมือนกับคนสติแตกแต่ว่าเสียงกลับอยู่แค่ในลำคอเท่านั้นสิ่งนั้นเดินวนไปวนมารอบๆห้องอยู่อย่างช้าๆโดยไม่มีทีท่าว่าจะสนใจคุณซุงเลย คุณซุงก็นอนมองอยู่นานจนสามารถเห็นทุกส่วนของศพได้ชัดเจนลู ก, กตาเนี่ยลึกโบจมูกเห็นเป็นเพียงแค่สันบางๆไม่มีริมฝีปากก็เลยทำให้อ่าเห็นฟันสีเหลืองที่เรียงซี่กันนะคะช่วงลำตัวเนี่ยเป็นซากหนังแห้งๆสีเทาหุ้มโครงกระดูกกระรองเดินโซซัดโซเซอยู่เหมือนกับว่าพร้อมที่จะล้มกองลงกับพื้นได้ทุกเมือ่อ คุณสูงก็ทนเห็นภาพอันน่ากลัวต่อไปไม่ไหวะ่ะลุกขึ้นรวมพละงกำลังเฮือกใหญ่เลยกว่าจะลุกขึ้นได้แล้วก็ตะโกนเรียกนาชายลั่นห้องจนเสียงสามารถหลุดออกมาจากลำคอได้ไม่กี่อืดใจต่อมาน้าชายก็วิ่งเข้ามาในห้องพร้อมกับร่างอันน่าขนลุกนั้นก็ค่อยๆหายไปนะคะคุณสูงก็ลุกพรวดพลาดจากเตียงบอกกับนาชายว่าโดนผีหลอกและนาชายก็อยู่เป็นเพื่อนจนถึงเช้า วันต่อมาคุณสูงรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นไข้ก็เลยรีบไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดแล้วก็ไปเจอเข้ากับเพื่อนเนนรูปอื่นๆนะคะเพื่อนเนนก็บอกว่าเจอเหมือนกันช่วงเวลาประมาณสองทุ่มก ว, กว่าตอนที่กําลังเดินไปอาบน้ําที่ห้องน้ําหลังวัดเห็นศพแห้งๆที่อยู่ในโกดังนี่ยืนขย่มอยู่บนต้นโพข้างห้องน้ําแล้วก็ค่อยๆไต่ลงมาจากต้นโพเพื่อนเนนก็รีบวิ่งกลับเข้ากุฏิส่วนเพื่อนเนนอีกคนนี่นอนจับไข้อยู่ในกุฏิคุณสูงก็ได้เข้าไปหา เพื่อนเนนก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนกําลังจะนอนได้ยินเสียงคนเคาะที่หน้าต่างกุฏิก็เลยลุกขึ้นไปเปิดดูปรากฏว่าเห็นศพแห้งๆเนี่ยยืนอยู่อีกฝั่งของหน้าต่างแต่ว่าหัวเป็นสุนัขสีดํามีน้ําลายเหนียวเหนียวยืดไหลออกมาจากปากเมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องก็เลยได้ให้จัดเครื่องเส้นขาวหวานแล้วก็ไปขอขมาที่หน้าโกดังเก็บศพและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของคุณสูงที่เรานํามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของคืนงัดลงประสบการณ์เด็กวัด เจอดีในคืนงัดลงศพกะว่าจะดูแล้วค่ะว่าในโรงศพเนี่ยมีคนตายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่ไปที่มาของเรื่องราวนี้นะคะเรื่องราวของคืนงัดลงเจอดีเขาให้เลยนะคุณทรงนะ มีอีกเรื่องราวเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องเล่าจากคุณปางค่ะคุณปางบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสรารคามเมื่อประมาณ17ปีที่ผ่านมาคุณย่ารับคุณปางมาเลี้ยงดูนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่ยังเด็กทุกๆตอนเย็นค่ะคุณปางแล้วก็เพื่อนๆ เ, เนี่ยมักจะรวมกลุ่มเตะฟุตบอลกันอยู่เป็นประจำ มีอยู่เย็นวันหนึ่งค่ะหลังจากเล่นฟุตบอลกันจนเหนื่อยละคุณปางแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็ได้ไปหาซื้ออะไรมานั่งรับประทานกันในกลุ่มก็จะมีเพื่อนรุ่นพี่3คนแล้วก็เพื่อนรุ่นเดียวกันกับคุณปาง3คนนะคะแต่ว่าวันนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งนึกพี่เรียนอะไรก็ไม่รู้ซื้อเหล้ามานั่งดื่มด้วย พอเมาได้ที่ค่ะก็คึกขนองล้วค่ะเขียนชื่อตัวเองที่ข้างขวดเหล้าแล้วก็ท้าพวกคุณปางว่าให้เอาเหล้าขวดนี้เนี่ยไปวางไว้ที่ใต้ต้นชำช้าหลังโรงเรียนเก่าถ้าทําได้จะให้เงิน500บาทซึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครกล้ารับคาท้าแต่ว่าคุณปางก็พูดกล่อมกับเพื่อนเฮ้ย <c oughs> เงินต่ห้าร้อเนะเว้ยคุณปางคุยไปคุยมากับเพื่อนค่ะก็สรุปว่าเพื่อนสองคนก็เอาด้วย ก็เลยตอบรับคำท้าของรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ควักแบ่ง500ออกมาแล้วพูดว่านี่เงินพวกเอาขวดไปวางไว้แล้วกลับมาเอาเงินพรุ่งนี้พวกพี่จะไปดูโรงเรียนเก่าอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ1กิโลเมตรค่ะหลังโรงเรียนก็จะเป็นสวนต้นยูคาลิปตัส มีซอยเล็กๆตัดเข้าไปในสวนลึกเข้าไปในซอยประมาณ500เมตรก็จะมีต้นําฉาอยู่ต้นหนึ่งหรือว่าต้นจามจุรีนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ท้ายซอยพอดีก็เลยออกไปก็จะเป็นทุ่งนาช่วงเวลาโพลเพล คุณปางแล้วก็พเพื่อนๆอีกสองคนเนี่ยก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์อ้อมไปข้างๆโรงเรียนจนมาถึงถนนเส้นหลังโรงเรียนจากนั้นก็ขี่เข้าไปในซอยเล็กๆที่มีต้นยูคาลิปตัสผุดขึ้นทั้งสองข้างทางบดบังแสงอาทิตย์ยามเย็นค่ะจนแทบจะมองไม่เห็นหน้ากัน คุณปางแล้วก็เพื่อนจอดรถมอเตอร์ไซค์ก่อนจะถึงต้นฉาฉาประมาณ100เมตรก็ลงเดินเท้ากันเข้าไปทั้ง3คนเนื่องจากว่าเป็นถนนแบบพื้นดินนะคะเป็นเป็นดินทรายเป็นหลุมเป็นโคลนก็ไม่เหมาะที่จะเอารถลุยเข้าไปบรรยากาศเงียบสนิทไรวี่แววของสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ดูวังเวงชอบกลในระหว่างที่กาลังเดินกันเข้าไปหูก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังอยู่ในป่ายูคาลิปตัสทางซ้ายมือ ลักษณะเหมือนเสียงใบไม้หล่นแล้วก็มีเสียงคล้ายกับคนเดินเหยียบใบไม้ดังซวบซวบมานะคะ่ะทุกคนหันไปมองพร้อมกันแต่ก็ไม่พบอะไรค่ะก็เลยเดินต่อไปจนถึงต้นสาฉ า, าเป็นต้นที่ใหญ่มากแผ่กิ่งก้านปกคลุมไปทั่วบริเวณคุณปรางก็กำลังจะเอาขวดเหล้าเนี่ยลงไปวางแถวแถวโคนต้นเสียงแปลกๆ ก, ก็ดังขึ้นอีกค่ะซึ่งเป็นเสียงแหว ก, กอหญ้าเดินเข้ามาเสียงดังซวบซวบเข้ามา แต่ว่าคราวนี้นี่เสียงมันดังขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับเสียงกิ่งไม้หักดังแปะนะคะทุกคนก็หันไปมองแต่ก็ไม่พบอะไรค่ะคุณปางกําลังจะหันหน้ากลับมาที่ต้นฉ่ำาปรากฏว่ามีเสียงหนึ่งดังจากที่เดิมพวกมาทําอะไรกันเป็นเสียงของผู้หญิงมีอายุทุกสายตาก็จับจ้องไปทางต้นเสียงค่ะเห็นเพียงแค่ ต, ต้นยูคาลิปตัส ท, ที่ผุดขึ้นซ้อนๆกันจนเต็มพื้นที่ ทุกคนก็เริ่มใจไม่ดีแล้วค่ะกระเถิบเข้ามายืนชิดติดกันคุณปางพยายามเพ่งมองเข้าไปในป่าสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเจ้าของเสียงนั้นโผล่ออกมาจากหลังต้นยูคาลิปตัสปรากฏว่าเป็นแม่ชีค่ะอายุประมาณ70ปีผมขาวทั้งศีสะใบหน้าสูบผอมแต่สิ่งที่ประหลาดที่สุดคือประกายตาของแม่ชีไม่ต่างอะไรจากตาของสัตว์ล่าเนื้อเลยแม้แต่น้อย ลู ก, กตาใหญ่กว่าคนปกติม่านตาเว้าโคง้งเป็นวงรีนะคะยืนจ้องนิ่งมาทางพวกคุณปางแล้วก็ส่งเสียงเบาๆว่ามาทำอะไรกันจะมาอยู่กับกูเหรอประมาณนี้นะคะคุณปางขนลุกสู้เพราะแน่ใจแล้วแหละว่าเนี่ยคงไม่ใช่คนละถ้าขืนยังอยู่ต่อมีหวังคงได้นอนอยู่ใต้ต้นยูคาลิปตัสนี้แหละนะคะพอคิดได้แบบนั้นค่ะรีบวิ่งเตลิดกลับออกไปทางเดิมโดยมีเพื่อนวิ่งตามมาติดๆทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้กลางป่า จนออกมาถึงหน้าปากซอยหลังโรงเรียนคุณปางแล้วก็เพื่อนๆก็ น, นั่งหายใจหอบเหมือนคนที่ขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานคุณปางก็เหลือบตามองเข้าไปในป่ายูคาลิปตัส ท, ที่ผุดซ้อนขึ้นมาจนเป็นเหมือนกำแพงยักษ์นะคะก็ปรากฏค่ะเห็นแม่ชียืนแอบอยู่หลังต้นยูคาโผล่นะาโผล่ออกมาครึ่งตัวจ้องมาทางคุณปางแล้วก็เสยะยิ้มกว้างจนน่ากลัวดวงตาพิลึกพิลั่นเหมือนกับสัตว์ล่าเนื้อไม่มีผิดค่ะ คุณปางใจหายว่ารู้สึกเสียวสันหลังจนยืดตัวตรงโดยอัตโนมัติคิดในใจว่านี่ยังหนีไม่พ้นมันอีกเหรอขาคุณปางก็กระโดดวิ่งออกมาจากตรงนั้นทันทีโดยไม่ต้องรอใส่รหัสสมองให้มันสั่งการอะไรทั้งสิน้นเพื่อนก็คงจะเห็นเหมือนกันกับคุณปางค่ะเพราะว่าทุกคนต่างก็ร้องโวยวายสติแตกกันไปหมดจนมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านของคุณปาง จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดคือมีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งท่านได้ทุดงมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ไปปักกลดหลังโรงเรียนเก่าจากนั้นก็มีชาวบ้านไปกราบไหว้หลายคน สาเหตุที่ชาวบ้านไป ก, กราบไหว้ี่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือต้องการขอหวยนั่นแหละแต่ระยะหลังๆกลับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะคะมีชาวบ้านที่ออกไปจับกบจับปูตอนดึกก็เห็นแม่ชีท่านนี้เดินรอบๆหมู่บ้านเมื่อมีชาวบ้านถามท่านก็บอกว่ามาเดินจงกรมและก็มีผู้ชายในบ้านเนเริ่มเสียชีวิตลงอาทิตย์ละคนอาทิตย์ละคนล่าสุดก็เป็นศพที่ห้าละสาเหตุคือหลายตายทั้งหมดมีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงคนแก่ ตอนนั้นคนในหมู่บ้านก็คิดว่าเป็นผีแม่ไม้ค่ะแต่ว่าหมอธรรมบอกในหมู่บ้านกลับบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะผีแม่ไม้หมอธรรมบอกให้ชาวบ้านลองอุ้มไก่เดินเข้าไปคุยกับแม่ชีดูสิแล้วลองเอาไก่มาแล่ดูชาวบ้านก็ทําตามแต่ว่าหลังจากที่คุยกับแม่ชีเสร็จปุ๊บและเดินกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าไก่ตายทันทีค่ะชาวบ้านก็ลองเอามีดมาแล่เนื้อดูพบว่าเครื่องในแหลกละเอียดเหมือนถูกขย่อมจนเละ ชาวบ้านที่ดูเรื่องก็พากันกลัวค่ะสุดท้ายก็ต้องรวมตัวกันไปขับไล่ไม่ชี แต่พอไปถึงป่ายูคาลิปตัสก็ไม่พบวิวเวลของแม่ชีคิดว่าคงจะเดินทุดงไปที่อื่นแล้วแต่ว่าชาวบ้านที่ออกหากบตอนกลางคืนมักจะเห็นแม่ชีเดินจงกรมอยู่รอบๆหมู่บ้านแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆแม่ชีก็จะหายตัวไปทุกครั้งและก็จะมีเด็กนะคะที่เข้าไปเล่นกันในโรงเรียนเก่าเห็นแม่ชีเดินพลุบพลุบโผล่ๆอยู่ในป่ายูคาลิปตัสหลังโรงเรียนชาวบ้านลองเดินเข้าไปตรวจดูอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่พบอะไรและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะ เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวจากคุณเก้ง น, นะคะอายุ23ปีค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณ3ปีที่แล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดน้ําท่วมนะคะแต่ว่าจําไม่ได้ว่าเดือนอะไรซึ่งขณะนั้นคุณเก้งเรียนอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านพะหะนโยธินค่ะโดยคุณเก้ง น, นั้นเนี่ยได้อาศัยอยู่ภายในหอพัก เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าปู่ของเก้งเนี่ยได้ล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งในตอนนั้นนะคะทางบ้านหรือว่าครอบครัวของคุณเก้งก็อยากจะให้คุณเก้งเนี่ยบวชให้กับคุณปู่เพราะว่าปู่จะได้มีหลานชายาปู่มีหลานชายก็อยากจะให้หลานชายเนี่ยบวชให้หน่อยเพียงสองคนที่ยังไม่ได้บวชเรียนก็มีแค่คุณเก้งกับลูกพี่ลูกน้องอีกแค่คนนึงนะคะทางคุณพ่อและคุณแม่ก็เลยอยากจะให้บวชพร้อมกันไปเลย แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงใกล้สอบแล้วก็จะปิดเทอมคุณเก้งก็เลยจะไปบวชที่บ้านของคุณปู่ก็คือจังหวัดนครสวรรค์เป็นวัดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่อำเภอลาดยาวตัวของคุณเก้งเองนั้นก็อาศัยอยู่ในหอพักได้ประมาณ1ปีไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งช่วงที่จะบวชค่ะก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเก้งนั้นกลัวมากเกิดขึ้นจนได้ต้องบอกว่าคุณเก้งเนี่ยอาศัยอยู่ในหอพักกับเพื่อนอีกคนนึงแต่ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอยู่ห้องคือกว่าจะกลับก็เช้าหรือไม่ก็ดึกเนื่องจากว่าติดเล่นเกมคอมพิวเตอร์โดยส่วนมากคุณเก้งก็จะมักจะอยู่คนเดียวแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งค่ะหลังจากที่สอบเสร็จสุดวันสุดท้ายนะคะคุณเก้งก็นอนอยู่หอพัก อยู่จัดข้าวของเพื่อที่จะเตรียมตัวกลับบ้านที่นครสวรรค์คือจะเดินทางไปที่บ้านคุณปู่ใช้เวลาในาขณะนั้นนะคะก็ประมาณตี2กว่าละคุณเก้งเนี่ยเพิ่งจะดูฟุตบอลเสร็จก็เผลอหลับไปแต่แล้วคุณเก้งก็ต้องรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งนะคะรู้สึกว่ามีมือมือหนึ่งมาแบบ เล็บยาวมากคือมาลูบมาคลำที่ตัวขงคุณเก้งคือลูบจากหัวไหล่ลงไปถึงช่วงเอวคุณเก้งก็สะดุ้งตกใจตื่นค่ะแต่ก็ไม่พบอะไรคุณเก้งก็เลยคิดว่าคงเป็นแค่ฝันร้ายแต่ว่าวันที่สองเป็นวันศุกร์ค่ะก็เลยตัดสินใจบอกแม่ว่าจะอยู่หอ อ, กอีกวันนึงเพราะต้องการทำวิจัยกับเพื่อนๆที่มหาลัย เหตุการณ์ในวันนี้แรงมากค่ะขณะที่คุณเก้งกำลังหลับอยู่เวลาประมาณสักเที่ยงคืนความรู้สึกที่มีมือมันรูปไล้ตามตัวก็กลับมาอีกเหมือนเดิมโดยที่คุณเก้งนั้นขยับตัวไม่ได้ลักษณะเหมือนโดนผีอัมพยายามสวดมนต์แล้วแต่ก็ไม่สำเร็จ พยายามพูดแต่ก็ไม่มีเสียงและสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็เกิดขึ้นนะคะมีเสียงกระซิบเบาๆข้างหูบอกไม่ต้องกลัวหรอกมาอยู่กับพี่เถอะจะได้สบายเสียงที่ว่านั้นแหลมแล้วก็ทรงพลังมากๆค่ะลักษณะเสียงนั้นเหมือนเสียงผู้หญิงที่ฟังดูแล้วน่าจะมีอายุสักหน่อยคุณแก้งก็ไม่รู้จะทำยังไงและทีนี้ได้แต่สวดมนจนหลุดจากวังน้ําวนนั้นมาแล้วก็พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นหลับอีก แต่ว่าคุณเก้งก็เผลอหลับไปอีกจนได้และต่อจากนั้นนะคะสัมผัสนี้ก็ยิ่งกว่าเดิมค่ะคือคุณเก้งนั้นเหมือนไม่รู้สึกตัวทําอะไรไม่ได้มีแต่เสียงของผู้หญิงคนนั้นคนเดิมมากระซิบอยู่ตลอดเดินเวลานะคะพูดคำเดิมๆซ้ําๆอยู่อย่างนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จับมือของคุณเก้งเนี่ยจูงแล้วก็เดินออกไปจากห้องเหมือนกับว่าความฝันก็ไม่ใช่ความจริงก็ไม่เชิงนะคะเหมือนกับว่าคุณเก้งได้ถูกจูงมือออกไปจริงๆค่ะ ผู้หญิงคนนั้นก็จูงมือคุณเก้งออกจากห้องเท่าที่คุณเก้งจําลักษณะได้คือเธอใส่เสื้อสีขาวชุดยาวผมยาวเล็บยาวแขนของเธอซีดเสี่ยวไปหมดมือของเธอกําลังจับแขนของคุณเก้งอยู่ลักษณะเหมือนกับว่าวิญญาณของคุณเก้งได้หลุดออกมาออกมาจากร่างค่ะขณะที่กําลังจูงมือของคุณเก้งอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยขาดพูดย้ํำๆบอกไม่ต้องบวชหรอกมาอยู่กับพี่จะได้สบาย ขุนเก้งก็เดินไปกับเธอจนถึงบันไดเกือบที่จะถึงทางเข้าที่ต้องใช้คีย์การ์ดอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็กรีดร้องดังมากแบบโหยหวนเธอร้องแบบไม่ได้สับเท่าที่จับใจความได้ก็ประมาณว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วแล้วเสียงนั้นก็หายไปขุนเก้งก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกเต็มตัวค่ะ เช้าวันนั้นคุณเก่งไปนั่งคุยกับแฟนของเพื่อนซึ่งแฟนของเพื่อนนั้นอาศัยอยู่ในหอพักใกล้ๆกันกับคุณเก่งพอเล่าเรื่องราวทุกอย่างจบลงหมดแล้วนะคะแฟนของเพื่อนคนนั้นถึงกับหน้าซีดเผือดพอคุณเก้งถามว่าเป็นอะไรเธอก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้กลับมหาหอตอนดึกก็เลยคิดว่าจะขออาศัยเก้งเข้าไปนั่งรอจนเช้าแล้วก็ค่อยกลับแต่ว่าโทรไปหลายสายละคุณเก้งไม่รับโทรศัพท์ ว่าระหว่างที่โทนั้นก็เดินมุ่งหน้าไปที่หอของเก้งจนกระทั่งเดินไปถึงทางเข้าตรงที่ต้องใช้บัตรคีย์การ์ดเธอก็รู้สึกตกใจเห็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดขาวนั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้าตอนแรกก็นึกว่าคนอยู่ที่หออาจจะทะเลาะกับแฟนแต่พอเธอเดินเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาเธอตกใจมากรีบวิ่งกลับไปที่หอหลังจากนั้นคุณเก้งก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเตรียมตัวบวชค่ะ ในแว็บแรกที่คุณเก้งเห็นวัดก็รู้สึกกลัวไม่น้อยเหมือนกันซึ่งเป็นวัดในชนบทห่างจากหมู่บ้านคุณเก้งนั้นเนี่ยก็ได้ไปเก็บตัวที่บ้านปู่อยู่ประมาณ3วันเพื่อรอบรรดาญาติญาติที่จะตามมาแต่ว่ามีอยู่คืนนึงค่ะซึ่งเป็นคืนแรกก็เกิดเรื่องเลย มีญาติคนนึงในหมู่บ้านนี่แหละซึ่งบ้านตามต่างจังหวัดที่นี่ก็จะเหมือนครอบครัวเดียวกันนะเนาะหลายๆคนก็จะสนิทกันแล้วก็จะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีค่ะมีป้าอยู่คนนึงป้าคนนี้เป็นญาติห่างๆอยู่ๆป้าแกก็โดนสามีของตัวเองฆ่าค่ะโดยที่วันนั้นคุณเก่งก็ยังได้คุยกับป้าคนนี้อยู่เลยพอตกค่มป้าก็โดนฆ่า ลักษณะศพเหมือนโดนบีบคอค่ะตรงคอนั้นมีรอยเขียวช้ำไปหมดคุณเก้งก็ปั่นจักรยานไปดูด้วยรู้สึกไม่ดีว่ากำลังจะบวชให้แต่มีคนรู้จักตายซะอีกจนกระทั่งถึงวันบวชค่ะทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งวัดนั้นมีพระอยู่สี่รูปมีพระเก้งแล้วก็หลวงพี่แล้วก็หลวงตาเจ้าอาวาสตัวของพระเก้งนั้นได้อาศัยอยู่ในกุฏิหลังหนึ่งซึ่งติดอยู่กับศาลาเก็บศพนะคะคือพอเปิดประตูออกไปปุ๊บก็จะเจอศาลานี้เลย ห้องที่พระเก้งนอนนั้นทางเข้าจะมีประตูอ่าแล้วก็จะมีประตูห้องกระจกอีกหนึ่งบานคือประตูที่นอนด้านหน้าของประตูนั้นก็เหมือนกับเป็นชั้นวางของก็มีหม้อกระทะอะไรพวกนี้นะคะของทางวัดวางอยู่พระเก้งกับพระลูกพี่ลูกน้องนั้นจริงๆแล้วเป็นคนกลัวผีด้วยกันทั้งคู่ค่ะพระใหม่2รูปก็เลยรีบส่งน้า ในต่างจังหวัดนี่6กโมงเย็นก็มืดแล้วนะคะซึ่งมันน่ากลัวด้วยบรรยากาศภายในวัดก็น่ากลัวอยู่แล้วแถมหลวงพ่อแล้วก็โยมลุงก็เคยแย่เอาไว้ด้วยว่าระวังเจอดีนะหลวงพี่เหตุการณ์คืนแรกก็ผ่านไปด้วยดีถึงแม้ว่าจะนอนไม่ค่อยหลับค่ะตื่นเช้ามาก็มีงานศพมาตั้งเป็นสมคนในหมู่บ้านอื่นเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายศพนั้นเป็นศพของผู้ชายวัยกลางคนพระเก้งจึงคุยกับพระลูกพี่ลูกน้องบอกมีคนตายอีกแล้ว ศพของป้าเพิ่งจะเผาไปทาไมระบวดมามีแต่คนตายตายเยอะจังเลยพระใหม่ทั้งคู่นั้นก็มีอาการตื่นกลัวอยู่บ้างก็เลยรีบทำกิจของสงเสร็จแล้วก็รีบส่งน้ำตั้งแต่หัววันคืนนั้นพระใหม่ทั้งคู่ก็นอนคุยกันอยู่ประมาณห้าทุ่มอยู่ๆก็มีเสียงหม้อใบหนึ่งหล่นลงมาค่ะจากด้านนอกเสียงดังโครมครามแล้วก็กลิ้งมาชนกับกระจกหน้าห้องเสียงดังปังเลยนะคะ ในตอนนั้นก็เกิดอาการกลัวโจรมากกว่ากลัวผีทั้งคู่ก็เลยชวนกันเดินไปดูพร้อมกับเปิดประตูค่อยๆแง้มดูนะคะก็พบว่ามีหม้อใบหนึ่งตกอยู่หน้าประตูก็เลยเก็บหม้อ น, นั้นขึ้นเอามาวางไว้กับพื้นที่หน้าประตูเหมือนเดิมนะคะทีนี้พอรุ่งขึ้นช่วงสายๆก็มีศพมาอีกและเป็นศพของคนแก่อายุสักเกกว่าได้สาเหตุการตายคือน่าจะเป็นเรื่องของโรคชราคุณย่าก็รู้จักคนที่เสียชีวิตด้วย ตามเคยค่ะศพนั้นก็ได้มาตั้งอยู่บนศาลาพอตกกลางคืนก็มีเหตุไม่คาดฝันก็ไอหม้อใบเดิมนี่แหละที่วางอยู่บนชั้นขณะพระใหม่กําลังสวดแผ่เมตตากันอยู่ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเตะหม้อดังปั้งเลยนะคะคือร่วงลงมาจากชั้นวางของค่ะกระเด็นมาตกลงตรงกระจกหน้าประตูคราวนี้ทั้งคู่ก็ไม่ออกไปดูละต่างคนต่างรีบเข้านอนพอตอนเช้าก็ออกไปเก็บหม้อที่หน้าประตูก็เลยคุยกับหลวงพี่ที่บวชอยู่วัดนี้ หลวงพี่บอกว่าน่าจะเจอดีเข้าแล้วล่ะหลวงพี่ก็เลยเล่าให้ฟังบอกเวลามาบวชใหม่ๆนี่ให้สวดแผ่เมตตาให้วิญญาณบ่อยๆเป็นแบบนี้แหละวัดตามบ้านนอกไม่เหมือนในเมืองผีสางเยอะต่างมาขอส่วนบุญกันทั้งนั้นแต่ว่าเวลาใครเรียกหรือว่ามีเสียงอะไรก็ห้ามขันรับเด็ดขาดนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่ง หนึ่งครั้งในคืนวันก่อนที่จะเผาศพยายชาราที่ตั้งอยู่บนศาลาประมาณตี3ค่ะอยู่ๆพระเก้งก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพลิกตัวหันหน้าไปมองประตูลแล้วก็หยิบโทรศัพท์ที่หัวนอนเพื่อจะดูนาฬิกาว่าเช้าแล้วหรือยังแต่ว่าพระเก้งก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเบื้องหน้า คือพระเก้งเนี่ยมองเห็นหญิงชาราคนหนึ่งนั่งยองๆอยู่บริเวณหน้าประตูห่างจากพระเก้งไปแค่ไม่กี่เมตรยายคนนั้นกําลังยิ้มใบหน้านั้นดูแบบแจ่มใสามากเลยนะซึ่งหน้านั้นก็เป็นคนคนเดียวกันกับในกรอบรูปที่ตั้งอยู่บนศายลาค่ะคุณยายนั่งยิ้มให้พระเก้งพระเก้งตกใจฮะรีผันกลับมาคิดในใจว่าตาฝาดไปหรือเปล่าว่าประตูก็ล็อกใครจะเข้ามาได้ก็เลยพยายามสะกิดปลุกพระลูกพี่ลูกน้องเรียกเบาๆ บ, บ, บอกท่านท่าน นอนหันหน้าหากำแพงก็เลยเอามือสะ ก, กิดท่านแล้วพูดเบาๆบอกท่านเห็นคนมานั่งอยู่หน้าประตูไหมพระลูกพี่ลูกน้องก็เลยตอบกลับมาบอกเขามานั่งตั้งนานแล้วท่าน พูดแค่นั้นแล้วก็เงียบไปพระเก้งถึงกับนอนตัวแข็งไม่กล้าหันกลับไปดูพยายามข่มตานอนจนตอนเช้าหลังจากนั้นมาก็ไม่เจออะไรอีกเลยนะคะคุณปู่ก็มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าผลบุญจากพระทั้งสองรูปนี้ตั้งใจบวชและปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ค่ะขอบคุณเรื่องของคุณเก้งจากกระทูพันทิพย์เดอะช็อคสตอรี่สอหลายเรื่องสําหรับอ่านแล้วก็สําหรับฟังบีก็เลยขออนุญาตนํา ม, มาเล่าให้กับ คุณผู้ฟังได้รับฟังกันที่ชาแนลพระเจอผีด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องเล่านะคะอยากจะส่งมาให้บีได้เล่าเพื่อที่จะเอามาให้คนอื่นๆได้ฟังกันด้วยส่งไปที่ Facebook f แ n p เ g e พระเจอผีนะคะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ